มันก็เป็นธรรมญาตราที่ไม่สมบูรณ์แล้วถ้าเราเดินด้ธรรม ะ, รรมะเดินด้วยธรรม ะ, รรมะเราก็จะอยู่ในอารักขาของธรรมะธรรมะก็จะคุ้มครองเราธรรมะก็จะปกป้องเรา ให้มีความสุขให้ปลอดภัยแดดร้อนๆนะก็จะทำอะไรเราไม่ได้ทางไกลแค่ไหนก็ไม่ทำให้เราเป็นทุกข์และแถมเรายังจะได้รับความเอื้อเฟือเ้อเกื้อกลูลนะทั้งจาก ต้นไม้ลําห้วยและความเอเื้อเฟื้อเกื้อกูลของชาวบ้านสองข้างทางหลายคนที่มาเดินธรรมยถาตราก็ประทับใจนะประทับใจในความกรุณานะประทับใจในน้ําใจของชาวบ้านนะที่ได้เอื้อเฟื้อพวกเราธรรมยถตรา อันนี้ก็เป็นอ น, นิสงส์อันหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าธรรมะนั้นเนี่ยสามารถจะอารักขาเราได้ถ้าเราเดินด้วยธรรมะเดินเพื่อธรรมะธรรมะก็จะรักษาปกป้องเราเพราอปีนี้เนี่ยนะเรา ไม่ได้เดินธรรมยัติยาอย่างทุกปีนะแต่เราเดินเพื่อเป็นการบูชาครูด้วยบูชาครูในที่นี้คือหลวงพ่อทำเขียนการบูชาเนี่ยทำได้สองอย่างนะบูชาด้วยอามิตดเรียวกว่าอามิตดสบูชาเป็นบูชาด้วย ดอกไม้ด้วยปัจจัยสี่ด้วยเครื่องหอมอีกอันนึงคือปฏิบัติบูชาธรรมยาตการาคราวนี้เนี่ยนะอาจจะไม่ได้นำอามิตรมาบูชาหลวงพ่อได้แต่ว่าจะเป็นปฏิบัติบูชาด้วยการ ทำตามคำสอนของท่านเดินตามรอยของท่านที่ได้กรุยทางไว้เป็นแบบอย่างเป็นการปรสานทั้งประโยชน์ท่านและประโยชน์ตนเข้าด้วยกันประโยชน์ท่านก็คือการช่วยกันฟืฟ้นฟูสร้างความตึงตัวเกีย่ยวกับเรื่องธรรมชาติบนหลังเขาส่วนประโยชน์ตนก็คือการฝึก การสุดจิตใจของเราในระหว่างเดินเรียกว่าเป็นการทำกรรมฐานพร้อมๆกันไปขณะที่ปลุมผู้คนให้ตื่นตัวด้านธรรมชาติอย่างที่บอกไว้แล้วหลวงพ่อท่านได้เป็นแบบอย่างกาภาสาสองอย่างเข้าด้วยกัน การบำเพ็ญประโยชน์ท่านและการบำเพ็ญประโยชน์ตนผสานการอรักธรรมชาติกับการกรรมฐานครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มักจะแยกสองอย่างออกจากกันคนที่อนุรักษ์ธรรมชาติก็อนุรักษ์ธรรมชาติไปแต่ว่าไม่สนใจเรื่องการฝึกฝนจิตใจหรือรักษาใจให้ปกติอนุรักษ์ธรรมชาติแต่ว่าจิตใจเป็นทุกข์ คุณ เ, เครื่องเึ่งเครียดกดดันอีกฝ่ายนี้ก็ทำกรรมฐานจิตใจเย็นสบายแต่ว่าปล่อยปะละเลยนะเรื่องของส่วนรวมเรื่องของธรรมชาติหนะลวงพ่อท่านได้ทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปนะเราซึ่งถือว่าเป็นศิษย์มีครู หือเอาหลวงพ่อมาเขียนเป็นครูของเรานะก็ควรที่จะผสานสองอย่างนี้เข้าด้วยกันให้เป็นหนึ่งเดียวกันเช้นที่ว่าไม่มีรอยตะเข็บหรือรอยต่อเลยธรรมะธรรมยาน า, านี่ก็เป็นโอกาสที่จะทำให้เราได้ผสานสองอย่างเข้าด้วยกัน ทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นหัวใจของหลวงพ่อคำเขียนซึ่งเราควรจะน้อมนำเข้ามาถ้าเราทำยดได้นี่ก็ถือว่าเป็นปฏบิบัติบูชาอย่างหนึ่งเป็นการบูชาครูบาอาจารย์ของเราอย่างถูกต้อง การทำเช่นนี้เนี่ยนอกจากเป็นบุญแล้วยังเป็นมงคลนะมงคลสูงสุดประการหนึ่งนะใน3าแปดประการก็คือการบูชาบุคคลที่ควรบูชาบูชาเจ้ปู่ชนิยานังเอตตัมมังคารุตตัมมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดนะไปเราตระหนักว่าการเดินธรรมตรา ทั้งเดินพื่อธรรมะด้วยธรรมะและในธรรมะเนี่ยนะมันเป็นการบำเพ็ญปฏิบัติบูชาเป็นการแสดงออกซึ่งการบูชาบุคคลที่ควรบูชาสิ่งที่เราทำนั้นจึงเป็นมงคลที่สูงยิ่งและเมื่อเป็นมงคลที่สูงยิ่งแล้วเนี่ยก็มั่นใจได้ว่า เราจะได้รับการปกปักรักษาด้วยอำนาจด้วยอนุภาพของมงคลเหล่านี้ด้วยมงคลต่งลางการได้รับอนุญาตใจให้เรามั่นใจว่านะมันเราได้ทำสิ่งที่เป็นสิริมงคลและสิริมงคลก็จะดูแลรักษาเราให้ปลอดภัยทั้งกายและใจ นเพราะฉะนั้นยก็ขอให้เราเดินธรรมยตราครั้งนี้แล้วก็ตลอดไปจนถึงวันที่8ด้วยความมั่น อ, อกมั่นใจถึงแม่หลวงพอ่อจะไม่ได้เดินนำเราอย่างปีก่อนอนแต่ว่าบงคลที่เราได้กระทำ จากการที่เดินตามหลวงพ่อเดินตามรอยของหลวงพ่อทำตามที่ท่านแนะนำสั่งสอนแล้วก็ได้ทำให้ดูจะช่วยทำให้เราประสบความสุขสวัสดีตลอดการเดินธรรมญาติตรา ไม่ว่าเราจะประสบความยากลำบากเพียงใดนะในระหว่างทางแดดร้อนทางไกลความหิวโหวยก็ขอยระลึกถึงสิริมงคลนะที่เราได้ร่วมกันทาในการเดินธรรมยราครั้งนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะขอให้เราออกเดินเป็นประเดิมนะด้วยจิตใจที่ชั้นชื่นเบิกบานอย่างมีกำลังใจนะเป็นการประเดิมทำญาติราครั้งที่สิบห้าบูชาครูนะตอบแทนคุณ ถ้าเราเล่มต้นเดินนะตัวใจที่แช่มชื่นสดใสเบิกบานมั่น อ, อกมั่นใจนะสลัดความวิตกกังวลความไม่แน่ใจออกไปนะที่เหลือนอกนั้นนะก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายดายยิ่งถ้าเราเดินด้วยความรู้สึกตัวอย่างที่หลวงพ่อท่านได้สอนเอาไว้ ก็ยิงมั่นใจว่าทางข้างหน้าก็จะราบรื่นหลวงพ่อคำ เ, เคยพูดว่าเมื่อตั้งต้นด้วยความรู้สึกตัวแล้วนะที่เหลือน้องนั้นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากต่อไปให้เราเดินด้วยสติเดินด้วยความรู้สึกตัวโดวยเพราะเมื่อเราเริ่มที่จะกล้าเดิอนออกจาก ที่นี่ไปให้เราลึกว่าเรากำลังเดินตามรอยหลวงพ่อมีการกระทําของท่านเป็นเครื่องนำพาและเราก็จะแล้วการเดินทางของเราธรรมยาราของเราก็จะราบรื่นปลอดภัยแล้วก็สำเร็จได้ด้วยดี แล้วชาวนี้ก็พูดแต่เพียงเท่านี้นะแล้วก็หลังจากนี้ไปก็จะเป็นช่วงการาตัดเตรียมธรรมยาา่าสืบเนื่องจากาสืบต่อจากเมื่อตอน่อนค่ำเอา่งีจับภาพก่อนนะ ทำไมเขาพูดถึงขาวสุดแสนเศร้